ทำบุญแก้กรรมตอนกรรมกับการสับสนทางเพศหมายเหตุไว้ด้วยนะครับว่าบทความนี้จําเป็นต้องเปิดใจฟังและวิเคราะห์ยิงปราศ จ, จากอคติเท่านั้นและไม่ว่าเราจะสับสนทางเพศหรือไม่ก็ตามก็ควรจะฟังไว้เพื่อการอยู่ร่วมกันหรือเพื่อป้องกันเหตุในการเกิดมาสับสนทางเพศในชาติหน้าซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะครับ คนมีคุณธรรมใจประเสริฐจะไม่รังเกียจใครแค่เพราะเขารักเพศเดียวกันพอรู้หลักรำว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีความหลากหลายทางเพศและละสนิยมที่เกิดจากวิบากที่ซับซ้อนต่างกันพระผู้ทรงธรรมท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าการเป็นเกยไม่ใช่ความผิดปกติทางเพศแต่คือรสนิยมทางเพศของปุถุชนเท่านั้นสาหรับคาว่าผิดปกติไม่ควรนามาเรียกแค่เพราะพวกเขาทาในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทา ผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงตามธรรมชาติแต่ก็มักเป็นประโยคของคนที่คิดอะไรได้ไม่เคยเกินสสดือหัวสมองมีแต่เรื่องผสมพันเป็นหลักจนไม่มีทางมองเห็นแง่มุมของความรักที่นำมาซึ่งความสุขของคนอีกกลุ่มที่มีความชอบในสิ่งที่แตกต่างจากตนเองได้พ่อแม่ที่ลูกเบี่ยงเบนมักทาใจย่จะยอมรับความจริงของธรรมชาติและความสุขของลูกไม่ได้สาคัญไปกว่า อายชาวบ้านเลอะเกินหากเข้าใจหลักกา ร, รมจนจิตมีคุณธรรมมากพอจะไม่มีใครทุกร้อนหรือมองเป็นเรื่องผิดปกติน่ารังเกียจแต่จะเห็นต้นต่อสาเหตุการเกิดมาเพื่อเป็นเห็นวิธีป้องกันการรับมือและแก้ปัญหาได้ตรงทางมากขึ้นสิ่งที่ควรรังเกียจควรเป็นความเลวในแต่ละคนมากกว่านะครับแทนที่จะไปเกลียดความชอบในเรื่องเพศที่พวกเขามีต่างจากเราหรือต่างจากคนทั่วไป รายการทีวีนำเสนอคนรถความแล้วหายเป็นตุ้ดสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมหนักขึ้นนะครับจากทัศนคติเดิมของพ่อแม่บางคนที่คิดว่าการด่าลงโทษรุนแรงจับไปบวชหรือทำบางอย่างแล้วลูกจะคืนสภาพจิตตรงกับเพศได้แต่สำหรับคนที่ทุกข์ใจในความเป็นเกของตนเองและลูกหลานตนเองก็ยังพอมีในทางพระพุทธศาสนานะครับที่สามารถบิดใจให้กลับมาตรงซึ่งจะกล่าวกันในต่อไป ตุททอมไม่ใช่ไข้หวัดนะครับจะได้กินยาขมละหายความต้องการทางเพศเปรียบเหมือนกินอาหารเช่นบางคนไม่ชอบทุเรียนให้จ้างด้วยเงินแสนบังคับตัดแขนขาสุดท้ายฝืนกินเข้าไปได้แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนั่นแหละตามหลักกรรมทุกคนล้วนเคยเกิดและเป็นมาแล้วทุกเพศดังนั้นทุกคนที่ยังไม่บรรลุอริยะจึงมีความเป็นหญิงชายซ้อนอยู่ในตัวเสมอจะได้เกิดเป็นเพศอะไรในแต่ละภพชาติ อยู่ที่จิตสะสมวิบากมาต่างกันมนุษย์เราเกิดใหม่อาจถือได้ว่าเป็นเพศหญิงทุกคนจนผ่านไปสิบสัปดาห์คนที่จะได้ร่างกายเป็นชายจึงมีเนื้องอกขึ้นมาเป็นน้องจู๋มีขนาดทำให้ภูมิใจหรือไม่มั่นใจขึ้นอยู่กับบุญเก่าอาหารการกินและปัจจัยอื่นใวัยเด็กด้วยทางการแพทย์พบว่าเกมีลักษณะพันธุ ก, กรรมที่แากออกไปจากเพศปกติซึ่งเป็นมาโดยกาเนิดจนอาจเรียกได้ว่า เกิดมาเพื่อเป็นเกย์มาเหตุเสริมไว้ตรงนี้นะครับสำหรับขนาดอวัยวะเพศชายที่เล็กหรือใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการกินอาหารตั้งแต่วัยเด็กถ้าเกิดว่าขาดซิงค์นะครับหรือได้รับปริมาณซิงค์ไม่เพียงพอจะทำให้มีอวัยวะเพศเล็กได้นะครับดังนั้นการดูแลอาหารการกินแต่เด็กก่อนจะโตก็สาคัญมาก ศา ส, สนาพุทธถือว่าการเป็นเกย์ไม่ได้เป็นบาปนะครับการเกิดเป็นเพศอะไรมีชีวิตอะไรล้วนเกิดจากการกระทำที่สั่งสมมาเหมือนการปลูกพืชที่หว่านมาเมล็ดอะไรไว้ย่อมโตเป็นพืชชนิดนั้นทุกคนสามารถเลือกเกิดในชาติหน้าเพื่อเป็นอะไรก็ได้ขอแค่สะสมวิบากในจิตให้ตรงด้านและทำเหตุปัจจัยให้พอคำสอนเรื่องผิดศีลข้อสามและมักมากในกามเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งให้เกิดเป็นรักร่วมเพศ ทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าศา ส, สนาได้แนวเหยียดเพศจากวัฒนธรรมอินเดียสมัยก่อนเรื่องกรรมส่งเป็นเกย์มันก็คล้ายแนวเดียวกับที่แพทย์เตือนว่ากินของหวานเกินเราจะอ้วนเป็นคนอ้วนเพราะกินหวานมากไปไม่ใช่เรื่องดูถูกเหยียดหยามหรือมองว่าน่ารังเกียจแค่บอกว่าทำสิ่งนี้จึงได้สิ่งนี้ศา ส, สนาพุทธไม่ได้เห็นเกย์เป็นคนชั่วนะครับการเกิดเป็นเกย์ไม่ใช่การทำบาปไม่ใช่เพศชั่วหน้ารังเกียจ ถือเป็นเพศที่มีอยู่จริงมีสุขทุกข์ทำดีทำชั่วได้ไม่ต่างกับหญิงชายทั่วไปมีหลายระดับและเกิดจากกรรมหลายประเภทยากย่อยได้อีกเยอะมากซึ่งจะเห็นผลกรรมได้จากการที่มีทั้งเกที่มีความสุขยอมรับตัวเองประสบความสาเร็จในชีวิตและเกที่มีแต่ความทุกข์ไม่ยอมรับตัวเองบางคนมีเพศสัมพันธ์และทรมานแทบใจขาดตายแต่บางคนกลับสุขปริ่มใจบางคู่ไม่เคยมีอะไรกันเลย เป็นเพียงคนที่รักกันอยู่ร่วมกันเหมือนเพื่อนกันเท่านั้นหมายเหตุไว้ว่ากรรมคือการกระทำไม่ได้หมายถึงความชั่วนะครับแต่คนชอบเข้าใจผิดว่ากรรมแปลว่าชั่วหรือแปลว่าทำบาปมีกรรมอีกหลายข้อที่อาจส่งให้เกิดมาเป็นเกยได้อีกเช่นบางคนมีจิตยึด ต, ติดเหนียวแน่นในเพศเดิมของตนแต่ผลกรรมบางอย่างส่งให้เกิดในเพศตรงข้าม อีกรณีคือการประทับใจรุนแรงในรูปลักษ์ของเพศตรงข้ามอย่างเหนียวแน่นถ้าเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกสะสมความรู้สึกทุกอย่างไว้และส่งต่อข้ามพบชาติดได้จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าผู้ชายที่หลงไหลฝังใจในอวัยวะของผู้หญิงถ้าจิตใต้สำนึกบันทึกข้อมูลการคลั่งอวัยวะของหญิงไว้เข้มข้นมากมีผลให้เมื่อเกิดใหม่ถ้าไม่มีข้อมูลด้านอื่นมาแทรกแซง ก็มีโอกาสที่จิตจะสร้างรูปกายเป็นหญิงตามข้อมูลที่สะสมไว้ในขณะที่ภายในใจยังรู้สึกพอใจเป็นชายอยู่เข้มข้นเหมือนเดิมกลายเป็นเกิดมาเป็นคนมีใจเป็นผู้ชายแต่ได้ร่างเป็นผู้หญิงหรือทอมนั่นเองหรือกลับกันอาจสร้างรูปกายเป็นชายตามข้อมูลที่จิตเคยคลั่งไคล้ทั้งที่ใจยังพอใจการเป็นหญิงอยู่เหมือนเดิมก็กลายเป็นคนมีใจเป็นผู้หญิงแต่กลับมีร่างกายเป็นผู้ชาย หรือกระเทยไม่ต้องรอให้ตายไปเกิดใหม่นะครับผู้ชายแท้บางคนเนี่ยแค่คลั่งนักร้องหญิงบางคนมากถึงขั้นแต่งหญิงเป็นประจำก็มีลองไปถามกระเทยจานวนมากจะพบว่ารู้สึกและเชื่อมาแต่เกิดว่าตนเป็นผู้หญิงจริงๆทำความเข้าใจด้วยนะครับว่ากระเทยตุ๊ดเกตทอมดี้และอื่นๆมีความแตกต่างทางสายพันธุ์กันอย่างสิ้นเชิงและจาแนกแจกจ่ายได้อีกเยอะมาก เกย์าชายจะรู้สึกภูมิใจในความเป็นชายและรู้ตัวเองว่าเป็นชายเพียงแต่ชอบเพศเดียวกันเท่านั้นหลายคนอาจไม่ได้เป็นเกย์โดยกําเนิดนะครับแต่เพราะเบื่อนิสัยผู้หญิงอยากมีคู่รักแบบเพื่อนลุยๆบางคนถูกชะตากับเพศเดียวกันที่เคยเป็นผัวเมียกันมาในชาติก่อนเขาจะไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นเกย์นะครับเพียงแต่รักผู้ชายคนนี้มากคนเดียวเท่านั้นและจะขยักขยแยงมากถ้าจะต้องมีอะไรกับผู้ชายคนอื่น เรื่องของกรรมพิสดารพอกับความชอบกินอาหารของแต่ละคนนั่นลหละครับกินอาหารก็เพื่อให้อิ่มมีคนรักก็เพื่อมีเพื่อนร่วมทางสู้ชีวิตเท่านั้นสังเกตไหมครับว่าเก์บางกลุ่มจะมีอารมณ์รุนแรงอารมณ์ทางเพศสูงนี่คือผลจากนิสัยเก่าที่ติดตัวมาคนราคะกล้ามักมีโทว่าแรงตามด้วยหลักที่ว่าหากมักมากในการมมีสิทธิ์ได้เกิดเป็นเก วงเล็บไปด้วยนะครับว่าเป็นเกรประเภทบ้ากามไม่ใช่การลงโทษจากใครแต่เป็นสิ่งที่ตอบสนองให้เจ้าของจิตได้อยู่ในสภาวะที่เคยสะสมข้อมูลเก็บไว้จากชายหญิงปกติที่ชอบเสพหรือมั่วกามหลังตายเมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งก็มักจะได้มาเกิดเป็นเกซึ่งมีสภาวะที่เสพกามได้เต็มที่เปลี่ยนคู่นอนได้ไม่ต้องคิดมากเหมือนชายหญิงปกติไม่ต้องท้องไม่ต้องมีลูก ไม่มีพันธะผูกพันเป็นเพศสภาพที่พร้อมต่อวิบากคือความต้องการความถนัดความเชยเชชินที่สะสมไว้หรือในที่นี้ก็คือความมากๆในกามนั่นเองมนุษย์คือพบเดียวที่ผสมพันธ์เพราะความรักได้หากยังมั่วกรามโดยไม่มีความรักไปเรื่อยก็มีโอกาสตีตัวชั้นหนึ่งได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อในพบหน้าได้อยู่ในสภาพพร้อมผสมพันโดยไม่มีความรักได้เต็มที่ จากจิต ท, ที่สะสมความพอใจในการกระทําต่างๆไว้นั่นเองหมายเหตุไว้ด้วยนะครับว่าเกย์ดีๆที่ไม่บ้ากามมีคุณธรรมสูงและรักกันจริงก็มีอยู่อีกมากแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวเท่านั้นกรรมที่หลากหลายจะแยกย่อยการเป็นเกย์ประเภทต่างๆได้มากมายการเขียนถึงเกย์ในแต่ละย่อหน้าไม่ได้หมายถึงเหมารวมทั้งหมดแค่แยกย่อยให้เห็นแต่ละประเภทแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับ เกย์หลายคนเพราะมีทุกใจหลายด้านการไม่มีภราระครอบครัวเหมือนชายหญิงทั่วไปจึงทุ่มเทกับงานได้เต็มที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายหรือดึงให้สนใจปฏิบัติธรรมจริงจังจนกราบไหว้ได้สนิทใจหลายคนอาจไม่รู้ว่าเกย์จำนวนมากอยู่ในรายชื่อนักรบผู้ยิ่งใหญ่และคนดังในหลายวงการทั่วโลกศา ส, สนาพุทธไม่เคยถือว่าเพศไหนหน่ารังเกียจมีแค่ว่าเพศไหนสะดวกปฏิบัติธรรม หรือทําอะไรได้ง่ายกว่าเท่านั้นทําอะไรจึงเกิดเป็นอะไรท่านบอกสาเหตุของโอกาสที่จะก่อทุกข์ให้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสี่ยงทุกข์ในอนาคตอีกแต่หากใครไม่สนใจอยากเป็นแบบนั้นต่อไปก็ไม่มีใครประนามเพราะหากรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องจะเห็นจริงตามคําพระท่านสอนไว้ด้วยตนเองว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีเพศสุดท้ายเราทุกคน ต้องมุ่งไปสู่จุดที่ไม่มีเพศในบ้านปลายอยู่ดีนะครับหากคุณเป็นเกนแล้วมีความสุขปฏิบัติธรรมได้ดีทำประโยชน์ให้สังคมได้ก็ไม่ควรใส่ใจกับเสียงดินทาของชาวบ้านที่ตะโกนรับหลังว่าเสียชาติเกิดวิปริตผิดเพศเพราะคนเหล่านั้นไม่มีคุณค่าให้ใส่ใจในขณะที่พวกเขาอาจเป็นได้แค่สัตว์ตัวผู้ตัวเมียที่มีชีวิตอยู่เพียงคิดแค่เรื่องผสมพันธุ์เท่านั้น เรื่องน่าอายหรือน่ารังเกียจควรเป็นเรื่องของนิสัยและสันดานมากกว่าผู้ชายไม่ดูแลครอบครัวหลอกฟันแล้วทิ้งไม่เคยสร้างความดีเป็นคนไร้ค่าไม่เหลือความเป็นลูกผู้ชายได้เท่าทอมหรือกระเทยที่รักจริงเลี้ยงดูพ่อแม่และทำประโยชน์ให้สังคมเป็นเกย์ที่ยึดมั่นในการทำดีมีน้ำใจยิ้มย้นแจ่มใสเป็นมิตรกับคนรอบข้างทุกเพศทุกวัยแต่งตัวให้เหมือนชาวโลกปกติ ทำได้แบบเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาไม่รังเกียจหรอกครับที่มีปัญหาส่วนมากเป็นเพราะปฏิกิริยาตอบโต้ที่เกิดจากจิตที่คอยระแวงคนอื่นจะมองแง่ลบผลสะท้อนเลยต้องทำตัวแรงๆแบบร้ายๆหรือพยายามทำตัวโดดเด่นจนกลายเป็นตัวประหลาดและดูน่ารังเกียจไม่น่าคบหาได้ในที่สุด